สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้ชีวิตพระเยซูตอนที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าคนรวยกับคนจนพระจนาพระเจ้าอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่สิบหกข้อที่สิบเก้าวันนี้จะอ่าน จ, จนถึงข้อที่ยี่สิบสี่นะครับโปรดฟังโจนะของพระเจ้ายังมีเศรษฐีคนหนึ่งนุ่งห่มผ้าสีม่วงและผ้าป่านเนื้อดี รับประทานอาหารอย่างประณีตทุกวันทุกวันและมีคนขอทานคนหนึ่งชื่อลาสลัสเป็นแผลทั้งตัวนอนอยู่ที่ประตูรั้วบ้านของเศรษฐีและเขาใคร่จะกินเศษอาหารที่ตกจากโต๊ะของเศรษฐีนั้นแม้สุนัข ก, ก็มาเลียแผลของเขาอยู่มาขอทานคนนั้นตายและเหล่าทูตสวรรค์ได้นําเอาไปไว้ที่อกของอับราฮัมไปเศรษฐีนั้นก็ตายด้วยและเขาก็ฝังไว้ แล้วเมื่ออยู่ในแดนบารนาเป็นทุกข์ทรมานยิ่งนักเศรษฐีนั้นจึงแหนดูเห็นอัรธรรมอยู่แต่ไกลและลัทธรักษอยู่ที่อกของท่านเศรษฐีจึงร้องว่าอัราหรมบิดาเจ้าค่ะขอเอ็นดูข้าพเจ้าเถิดขอใช้ลทัทธลักษ์มาเพื่อจะเอาปลายนิ้วจุ่มน้ํามาแตะลิ้นของข้าพเจ้าให้เย็นด้วยว่าข้าพเจ้าตรําทุกทรมานอยู่ในเปลวไฟนี้พี่น้องครับพจนานุกรมพระเจ้ า, า, จาวันนี้เกี่ยวข้อง โดยมีบริบทของลูกาบทที่สิบหกทั้งหมทซึ่งพูดถึงเรื่องของความยากจนความร่ํารวยความมั่งมีคนยากจนคนร่ํารวยและคนที่มั่งมีในคราวนี้พระเยซูตัด ก, กับพวกปริีโดยตรงครับและเป็นคาอุปมากับพวกเขาโดยเฉพาะเนื่องจากว่าปฏิกิริยาของพวกเขาต่อกับอุปมาเรื่องแรกในบทเรียนนี้ในบทนี้พวกเขา อาจจะประทับใจพระเยซูก็ได้ถ้าหากว่าพระเยซูเป็นคนบ้างมีแต่พระองค์ทรงเป็นบุตรของช่างไม้ครับทรงไม่มีบ้านของตัวเองทรงถูกห้อมล้อมติดตามด้วยประชาชนที่ฟ ร, ริสีลังเกียจเช่นคนยากจนคนบาปคนที่เป็นโรคร้ายพวกฟา ร, ริสีนั้นก็เชื่อว่าพวกเขาเป็นคนบ้างมีเพราะว่าพวกเขาเป็นคนชอบธรรมครับดังนั้นเองบรรดาคนที่ยากจนคนเจ็บคนป่วยคนที่เป็นโรคร้ายจึงกลายเป็นคนบาป และคนไม่ชอบทำในสายตาของพวกปริสศดังนั้นเองบรรดาคนที่ยากจนและไม่ไม่จึงเป็นคนบาปและไม่ชอบทำทาอุปมานี้ครับทําให้พวกปริีโกรธมากเพราะปริสีนั้นได้มีหลักาาศาสนศาสตร์ของตัวเองโดยอ้างอิงจากข้อพิอมพีบางตอนที่ผิดบริบทในพิมพ์เดิมว่าพวกเขาซึ่งเป็นคนชอบทำนั้นจะต้องเป็นคนร่ํารวย พวกเขาที่เป็นคนชอบธรรมนั้นจะต้องเป็นคนที่อยู่เหนือคนอื่นพวกเขาที่เป็นคนชอบธรรมนั้นต้องเป็นหัวนะครับไม่ใช่เป็นหางอันนี้ได้ดึงโคจะนะพระเจ้ามาใช้นะครับโดยไม่คํานึงถึงบริบทที่แท้จริงพี่น้องครับบริบทที่แท้จริงนั้นต้องการให้คนอิสราเอลวัตถุประสงค์ที่โมเสสได้เขียนโคจนะพระเจ้าตอนนี้โดยการโดนใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขณะที่เขาอยู่บนภูเขาสีไนยัย พระเจ้าปรารถนาที่จะให้อิสเรลนั้นเชื่อฟังเมื่ออิสเรลเชื่อฟังพระเจ้ า, าก็จะประทานพระพรให้กับพวกเขานี่น้องครับจากประวัารที่ผ่านมานั้นเราจะพบว่าเมื่อไรก็ตามที่อิสเรลเชื่อฟังพระพรของพระเจ้ า, เาก็จะมาถึงชีวิตของพวกเขาแน่นอนครับพระพรของพระเจ้ามาถึงในรูปแบบของความสุขสันติสุขสันติภาพนะครับเมื่อเกิดความสุขากับการากลับคืนดี สันติภาพที่มาถึงพวกเขานั้นสิ่งที่ตามมาซึ่งเป็นคอนซุณสื์หรือผลสืบเนื่องก็คือการอยู่ดีกินดีที่ตามมานั่นเองเมื่อประชาชนอยู่ดีกินดีโรคภัยไข้เจ็บก็เริ่มไม่มีเริ่มหายไปนี่เป็นคอนซุณสื์ที่พระเจ้าฤกษ์วอวยพรนะครับผ่านมาทางการเชื่อฟังเมื่อการเชื่อฟังเกิดขึ้นจากการคืนดีนะครับในระดับปัตทาธาครับในระดับชนชาติในขณะเดียวกันเมื่อ พ, อพอระพรมาถึงในระดับส่วนบุคคล น, นั้น เราจะเห็นว่ามีความยากจนเกิดขึ้นกับคนของพระเจ้าในประชากรของโถงนะครับมีคนที่เชื่อฟังแต่ก็ยังยากจนอยู่นะครับมีคนที่ยังดำรงชีวิตยอยู่ในความชอบธรรมรักษาธรรมบัญญัติของพระเจ้าก็ยังยากจนอยู่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าข้อเจ้าของพระเจ้าที่เกี่ยวข้องกับคนยากจนคนบาปและคนที่เป็นโรคร้ายนั้นถามว่าทาไมคนเหล่านี้ กลับใจได้ง่ายและรวดเร็วครับเพราะเห็นว่าพวกเขานั้นได้รู้ถึงความบกพร่องของตัวเองพวกเขาได้เห็นถึงโอกาสที่เปิดออกที่พระเจ้าได้ให้กับเขาพวกเขาได้เห็นว่าตัวเง้นเป็นคนที่ยังไม่เติมเต็มยังไม่มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ครับในขณะที่พวกปริสีพวกซา ด, ดูสีหรือพวกธรรมาจานนั้นกลับเย่อหยิ่งและคิดว่าตัวเงินร่ำรวยตัวเงินมีสติปัญญามีความเก่ง แล้วก็สามารถที่จะมีช่องทางในการหาเงินในการดำเนินชีวิตรวมทั้งมีช่องทางในการดำรงชีวิตในศาสนาด้วยด้วยเหตุนี้ทำให้ชีวิตของเขานั้นถูกสังคมโดยทั่วไปภายนอกยกย่องว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จจึงคิดว่าคนอื่นๆที่ไม่ประสบความสำเร็จหรือร่อยกว่าเขานั้นก็เป็นคนที่ไม่รับพระเจ้าวิธีคิดแบบนี้นะครับ เป็นวิธีคิดแบบตัวเองเป็นซปเปอร์ทิสเตรียนด้วยเหตุนี้เองทำให้เกิดการแบ่งนะครับว่าคนที่ประสบความสำเร็จคนที่ร่ำรวยคนที่มีสุขภาพดีเท่านั้นจึงเป็นทิสเตรียนที่มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์และประสบความสำเร็จเป็นชีวิตคิสเตรียนที่พระเจ้ารักในขณะที่คนอื่นๆที่ยังไม่เทียบเท่ากับเขาก็เกิดการกล่าวหาเกิดการตีตรา เกิดการที่ภากษาว่าคนเหล่านั้นยังเป็นคนที่รักพระเจ้าไม่ขอยังเป็นคนที่มีความบาปบางสิ่งบางอย่างเหลืออยู่ในข้อที่สิบเก้านะครับกล่าวว่าพระเยซูทรงใช้ตัวอย่างเกี่ยวกับเศรษฐีที่สวมเครื่องลุ่งขุมที่เป็นผ้าลินินสีม่วงอย่างดีผ้าลินินสีม่วงครับมีแต่คนรวยและเชื้อพระวงศ์เท่านั้นที่สว ม, มเสื้อเสื้อผ้าสีม่วงเสื้อคลุมที่เป็นผ้าลินินอย่างดีนั้นราคาแพงมากพวกคนรวยเท่านั้น จะมีงานเรียงที่หรูหราทุกวันนะครับก็จะใช้เสื้อคลุมที่เป็นผ้าลินินใส่มาในงานแต่ไม่ใช่คนหนึ่งในคําอุ ม, มาครับว่าลาสรัสในเรื่องนี้เป็นครั้งเดียวเท่านั้นที่พระเยซูเอ่ยถึงชื่อของบุคคล น, นี้ขึ้นมาขอ้อที่ยี่สิบครับบรรยายถึงลาสลัสในฐานะที่เป็นคนยากจนเป็นแผลข้างตัวและเชื่อกันว่าเขาเป็นคนง่อยด้วยเพราะเนื่องจากว่าลาสลัสนั้นท่านที่บรรยายว่านอนอยู่ที่ประตูรั้วบ้านของเฉฐี แทนที่จะไปเดินขออาหารจากบ้านหนึ่งไปยังอีกบ้านหนึ่งโลโเคชั่นของลัสลันั้นเนื่องจากไปไหนมาไหนค่อนข้างจะยากใช่ไหมครับเขาก็เลยต้องนอนที่ประตูร่วมบ้านของเศรษฐีในขนณะเดียวกันครับบางทีบอกว่าเขามีคุณสมบัติครบถ้วนทุกอย่างที่คนฟอริสีรังเกียร์เลยครับคือยากจนป่วยและสชปรกสิ่งที่คนจนต้องการเป็นถึงที่คนรวยทิ้งจากัวอาหารของเขาพี่น้องครับ ในขณะที่บ้านของคนรวยนะครับใช้ขนมปังเป็นนชิ้นๆสำหรับเช็ดมือเอาขนมปังเช็ดมือแทนผ้าเช็ดมือครับและหลังจากนั้นก็จะหยิบขนมปังนะครับที่ที่เปื้อนนะครับน้ํามันแล้วหรือเปื้อนอะไรแล้วทิ้งบนพื้นครับปกติแล้วครับพวกสุนัขจะรีบมากินอาหารนี้สุนัขพวกเดียวกันนี่นะครับที่ไปเรียแพ่ของขอทานล่ะสาระในข้อยี่สิบสองยิบสามครับปรากฏว่าต่อมาชายคนนี้ เสียชีวิตทั้งสองคนนะครับเศรษฐีก็ตายไปแล้วก็ลา ส, สลัสก็ตายไปพระเยซูบอกว่าขอทางลาสลัสนั้นถูกทูตสวรรค์พาไปที่อกของอับราฮัมหมายความว่าเขาได้ไปอยู่สวรรค์ครับไปเป็นไปอยู่ที่ซึ่งอับราฮัมไปอยู่ก่อนแล้วเศรษฐีก็ไปอยู่ที่อีกแดนหนึ่งครับที่ว่าแดนนราณาภาษากรีกนั้นเรียกว่านรกครับ ขั้นคำพใหม่มีหลายข้อที่บรรยายว่าเป็นสถานที่แห่งความทุกข์ทรมานในข้อยี่สานครับเป็นสถานที่ที่มีแต่ความมืดมีเสียงร้องไห้กบเคียวเคียวฟันเป็นเตาไฟอลุกโผงในมัตถีบทที่แปดบทที่สิบสามไฟที่ไม่รู้ดับมาละโภบทที่เก้าช่องบาดานวิวันบทที่เก้าและบึงไฟกำลัฐานที่กํำลังไหม้อยู่วิวันบทที่ยี่สิบเอ็ดพี่น้องครับในขับอุบมากล่าวไว้ชัดเจนว่าเศรษฐี ต้องประสบกับไฟในรกนี้นะครับเพราะเศรษฐีพูดนะครับว่าข้าพเจ้าตรำทุกทรมานอยู่ในเปลวไฟนี้พี่น้องครับในคช้าวันนี้โคชนาพเจ้าจบด้วยข้อที่24นะครับในวันพรุ่งนี้จะต่อด้วยข้อที่25สิ่งที่สําคัญซึ่งผมอยากจะสุกในเช้าวันนี้ก็คือว่าอย่าให้มานชาตานหลอกลวงเรานะครับในประเด็นที่หนึ่งก็คือคนรวยเท่านั้นจึงเป็นคนรักพระเจ้าไม่ใช่ครับ คนที่พระเจ้าปรารถนาให้ร่ำรวยนั่นเป็นพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อคนคนนั้นมีต่อครอบครัวนั้นแต่บางคนพระเจ้าให้อยู่แบบพอเพียงครับในสถานาภาพที่พระเจ้าคิดว่าเหมาะสมและพระเจ้าต้องการให้คนร่ำรวยเพื่อที่ว่าเขาจะได้ปรณาตัวได้ท่อมตัวลงและเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าแต่เพื่อที่เขาจะได้นําสิ่งที่เขามีอยู่นั้น มาอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าบำสมทรัพย์สมบัติของเขาไว้บนสวรรค์ครับเพียงครับเป็นสิ่งน่าเสียดายเสียใจมากที่หลายในคนนนครับแม้ว่าจะเป็นยังไงก็ตามชีวิตของเขานั้นไม่ยอมเลิกที่จะแสวงหาเงินทองมาให้ได้มากที่สุดขอพระเจ้าเมตตาวอวยพรขอพระเจ้าช่วยเหลือให้เกิดผลดีในงานของพระเจ้าด้วยทรัพย์สมบัติของ บุคคลเหล่านั้นเถอะในประการต่อไปที่ผมอยากจะนำมาเป็นตัวอย่างในเป็นบทสรุปในวันนี้ก็คือชีวิตของเศรษฐีนั้นชั่นครับชีวิตของเราในโลกนี้ชั่นมากมีเพลงที่บอกว่าท่านกำลังสแสวงหาอะไรอยู่ในโลกนี้ท่านกำลังสแสวงหาอะไรอยู่โลกนี้วิญญาณท่านจะต้องตายชั่วนิรันดรขอพระเจ้าทรงเมตตา เมตตาในขณะที่เราอย่าหลงมงมงายอยู่การหาเงินหาทองหาความร่ํารวยแต่ให้เราพยายามที่จะปักใยในการประกาศเ่าประเสริฐในการนําวิญญาณขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่หลายครั้งเราเองนั้นได้พยายามทําในน้ามัไถ่ของพระเจ้าแต่ยังไม่บรรลุยังไม่ประสบความสําเร็จก็ขอให้เราเพียรพยายามต่อไปนะครับ เพื่อที่พระเจ้าจะโวยพรชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนให้เป็นพรกับคนอื่นอีกมากมายอาเมน